ไปขายไอ้นั่นไปขายน้ำพึ่งขายน้ำพึ่งแล้วก็จะเลี้ยวเขาซ อ, อยหรือไงนี่แหละก็ไม่ดูข้างหลังเหีนอยากจะเลี้ยวก็เลี้ยวเลยไงรถเขาก็มาพอดีมันก็เลยเปี่ยงเลยแล้วก็เขาก็เบรกไม่ทันว่ารถถูไปเลยถูรูถูกกลางรถมันตอร์ไซค์ไปมเมื่อไอเมียเจ้าเจ้านี้ว่าคอหักเส้นเด็ดคอหักเออาก็เดินขึ้นไปตกลงมาก็คอหัก โอ้ยมันมันก็เป็นเรื่องที่ที่ที่ที่เขาเราียกว่าอะไรล่ะที่ดูยากแล้วก็เป็นเรื่องที่ฟังยากเขาก็ว่าคนขับรถไม่ดูไม่ดูรถเล็กแหว่งอันนี้วันนี้นี่เป็นอย่างไงก็วันที่เราไปนี่แหละนักเรียนก็เต็มเลยนะีะอยากจะเลียเยเ้ยวก็เลี้ยวเลยนะี่โอ้ต้องระวังนะนั่งมีขับรถในบ้านนะ ก็ไปด้วยกันดีๆไปด้วยกันดีๆนี่ไปข้างหน้าเราเนี่ก็เลี้ยววาบเลยนะเราก็ไม่ทราบว่าเขาอยู่เดียวนะถ้าเกิดในช่วงที่กำลังจะแสงพอดีนะั่นที่มันนันตรายนี่แหละเอาระวังที่เราขับรถในบ้านนี่นะมันจะไายก็เหมือนกันก็ก็ลูกๆหลานก็ไม่เขาไม่รู้กฎระเบียบหรือไงก็ไม่ทราบวิธีใสัยของเด็กนี่แหละบักไอทูบินบักทูบินนินลวันอกหักดังเปาะนั่นะนะที่มันตายก็เรื่องนี้แหละ ที่มันเป็นนักร้องน่ย น, นะไอ้ขับรถจะเลี้ยวเข้าบ้านน้องหาเงินพอดีมาจากไอ้คำเพือนเจ้ามาจากอำเภอก็ไม่ดูนะักรถเข้ามาเนี่ย น, นะรถบพชนเอาซาผู้ผู้ที่ลงทุนไปก็เลยเสียไปบอกประโยชน์หลายล้านบา ท, ทนี่ที่จุบินเสียใ น, นชวงนั้นนะเอออกหักเพราะรักปิมใช่ไหมเอออกหักดังเปาะหรืออะไรน่ะ พอผู้เขากำลังเข้าของทหารงเฮงยังไงมัช่วงนั้นนะช่วงนั้นน้องสาวน้องสาวลุงปู่กําลังกาลังเตรียมชุดที่จะออกไปบันทึกอยู่ตอนนี้เจ้าสุบินก็มาพอดีเจ้าสุบินก็มาก็าอยู่ค่ายเดียวกัน น, นั่นแหละเขาค่ายเดียวกันตอนลุงปู่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ออกมาจากกรุงเทพนะลุงปู่ยังไม่ได้เข้าสู่วงการนี้หรอกเพราะลุงปู่อยู่ทํางานอยู่กรุงเทพอยู่พอกลับมาแล้ว ที่ที่เข้าเลยก็เพราะว่าน้องน้องสาวน้องสาวดาวใจไปบันทึกเสียงแล้วก็เลยไม่มีการอยู่กับน้องเราแล้วก็เลยบึ่งจากกรุงเทพไปอยู่กับน้องช่วงที่น้องที่เป็นเข้าไปบันทึกเสียงนั่นนะพ่อพอดีกับสุบินเป็นเสียพอดีสุบินเสียแล้วก็กลับมาก็เลยมากู่ ก็เลยมาพร้อมกันกันกบอีพิมพาพรสิรินั่นเอออีนู่นจำได้คู่สอนป่อชี้นั่นออกมาพอร้อมกันตรงนั้นแล้วก็เลยไม่ได้ไปไหนก็ติดติดน้องอยู่ตรงสารน้องเพราะเพราะมันวงการนี้มันมันมันต้องดูแลน้องเพราะเพราะน้องถ้าพูดถึงน้องเราเป็นผู้ที่มีนิสัยดีนันน้องเราเพราะวงการนี้ถ้าปั้นเราก็ต้องปั้มด้วยเป็นงั้น วงการมาอยากเราก็เลยห่างน้องไม่ได้เราก็เลยจําเป็นต้องออกจากกรุงเทพกลับขึ้นมาอยู่กับน้องตั้งแต่วันนั้นเขามาเรื่อยๆไม่เรื่อยก็ไม่ได้ห่างกัน น, นี่พูดถึงพูดถึงหมู่หมู่คณะหมู่คณะวงการนี้ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นไม่จะเสียอย่างนั้นนะไม่ไม่ค่อยเสียดีนะพวกนี้นะถ้าไม่เป็นอย่างอื่นก็เป็นเป็นหนี้เป็นศีลไปงั้น ติดการพานันไปงั้นแต่ว่าอาจารย์ว่าหลวงปู่ไม่อยู่กับหมู่อยู่แต่หลวงปู่ไม่ได้เข้าไปในโลกของมายาเลยนะอาจารย์ตัว น, นั้นอยู่ได้มีหนุ่มีปัญญานะอยู่กับน้องเนี่ยน้องไปนอนอยู่กับน้องหรือนอนในห้องอะไรเราก็อยู่เพื่อดูแลน้องเราช่วงน้องเรายังเป็นสาวอยู่ไงอย่ง ไ, ไม่ได้แต่งงานน้องเราอายุสิบกปีมั้งช่วงนั้นพอเราก็เลยขึ้นมาช่วยน้องแล้วก็เลยไม่ได้ไปไหนอีกเลย ก็ผู้ชายฝังหนึ่งมันอา จ, จารย์ที่ว่าหลวงปู่ไม่หลงไปกับพวกนี้นะหยุ่ไ ม, ไม่จิตมันไม่ไปด้วยนะอะจิตไม่ปด้วยจิตไม่ไปด้วยเลยทีจ่จะอยู่อย่างปกติแปลกแปลกนะแต่ตอนนั้นถึงถึงถึงเราจะยังไม่ไม่ได้มีกุมีบาอะไรที่ว่าได้เข้าพื้ปฏิบัติทำแต่ว่าจิตหลวงปู่จะออกจากพวกนี้นะจะเป็นลักษณะเหมือนกับอยู่เป็นเอกเทศของเขานี่นะไปอยู่นะ ไปอยู่ไปอยู่วงการที่เขากินเหล้าเมาจูเละร้อยลูกร้อยผัวร้อยเมียกันแต่ว่าเราไม่เข้าไปก้าวไกลเลยนี่เน้นมาอาจารย์ตัวนี้นะบุญกุศลที่สร้างมาตั้งแต่อดีตมันมากคุณก็เลยไม่ไปมันไม่เล่นด้วยเลยเห็นเขาแล้วก็เกิดสลดหดหูนะมันเป็นอย่างงั้นไม่ไปเลยนะแจเองจะจะบังคับเขาไปด้วยก็ไม่ไม่ไปแล้วก็ไม่ชอบด้วยนี่แหละ เพราะว่าอํานาจบุญนี่ตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ํานาจบุญนะเวลายอยู่ที่ที่ลักษณะที่น่าจะจะเข้าไปในสถานที่ที่ชั่วแต่ว่าเมื่อบุญมันมากกว่ามันหนักทางบุญมันก็จะมาทางบุญนี่มันไม่ไปทางบาปหรอกุณศุนต์ะอยู่อย่างนั้นไม่ใชใน่น้อยปีนะเรานะแต่เราก็ไม่เคยว่าจะพิจอะไรเรื่องทําเรื่องวินเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องหลักทําความสอนของพุทธศาสนา แม้แต่ข้อเดียวตอนนั้นตอนนั้นยังจิบเบียร์อยู่ยังจิบเบียร์อยู่กับหมูกับก้านาอยู่แต่แกนั้นแหละทันแล้ก็จิบอยู่แต่ก็ไม่ได้ไปกินอะไรที่ว่ามันมากก็ ร, รู้รู้แล้วก็เลิกตั้งแต่อายุยี่สิบปีอันนี้เข้าสู่อง์การนี้ก็เพื่อเป็นสังคมแล้วก็ไม่ทําให้หมูให้ก้านาะทีนี้ต้องลำบากแกพวกเราด้วเพราะเข้าสังคมในสังคมของพวกโลกของพวกนี้มันก็ต้องมีบ้างแต่ก็ก็นั่งอยู่กับเขานั่นแหละ แต่หลังๆมาเวลามันคุณงามความดีมันจินอจิตในใจแล้วนี่แม่แต่ไม่ต้องบอกเขาเอาบอกเขาเอาแล้วก็นั่งอยู่กับเขานั่งอยู่กับเ้าแล้วก็ก็จิบแล้วก็จิบวกนี่เนี่ยพวกไอ้น้ําขวดแล้วก็จิบไปอย่างนั้นน้ำบัดลมไปนั่นหนักเขานั่นหนักเขามันก็เหมือนกับจิตเราออกห่างเขานี่มันอยู่กับเขายากข้อวงการธรรมเลตเตมาวงกา ร, ราวารุ่นว า, ายกายความ เขาเรียกว่ามายาที่เขาเรียกตามภาษาทั้งโลกว่าวงการมายาก็จริงนะจ ร, งจริงจริงเพราะมันไม่มีศินมีทําอะไรไอ้ผกไอ้ผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงนี่ถ้าได้ติดนักรองคนนั้นคนนี้เราโอ้ยดูแล้วเหมือนกับพวกเศรษฐีราชานนี่นอมันมันเป็นลักษณะที่ไม่ไม่มีความรู้สึกนึคิดว่าเราเป็นมนุษย์เลย ถ้าได้ติดนะแม่ยกนี่นะถ้าได้ติดไอ้นักร้องคนนี้เฉพผู้หญิงนั่นนะถขาไให้หมดเลยนะโอ้มอบกายเลยมอบกายเลยอันนี้เราตัวเองก็มีลูกมีผัวอยู่ใอ้เจ้านักร้องก็เอาเรียบขวาดเรียบเหมือนกันนะแล้วยืนดูอยู่มันฉลาดทงเวทนะเราเราอยู่กับหมู่อยู่นี่พูดถึงเรื่องบุญนันนี่นะ ถ้า บ, บุญมันจ้างมาตั้งแต่ในอดีตมากมันจะไปทางด้านนั้นครูบาอาจารย์อง์หนึ่งท่านพูดถึงว่าโซดาบันเนี่ยโซดาบันนี้เวลาที่ได้เชื่อมาแล้วนี่มันจะไม่เสื่อมตัวนั้นเวลากินเหล้าอยู่ก็ต่างอันต่างจิงต่างอันต่างอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นคือมันไม่เข้ากันพอใจไม่รับลักษณะนั้นคือการทำความชั่ว มันต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่กับผู้ที่บรรลุโสดาบันที่มาแล้วตั้งแต่ในอดีตนะที่ไม่ทําอนาันตยุยธธรรมห้มันไม่เข้ากันถึงจะอยู่อยู่แต่มันก็ไม่เข้ากันไม่มีการเข้าไปวุ่นวายเก่ยวกับเรื่องพวกนั้นดีก็หาทางออกหาทางออกตลอดตลอดเขามีเชื่อมาก่อนมันก็เลยเป็นอย่างนั้นพอเห็นเขาสมสู่อยู่กันระหว่างไอ้นี้ลูกนี้ผัวมา วงการนี่เราก็เลยเกิดสรุปหงุดหงิดหาทางออกมันก็บอกน้องกำคำชับน้องคนสุดท้ายก็ต้องก็อยู่กับพ่อไม่ได้จริงๆนะก็หนี้น้องก็ตัดทินใจออกเราก็ตัดทิ้งใจออกเพราะเราอยู่กับพ่อไม่ได้เราอยู่เ่าไม่ได้พ่อออกมาแล้วเขาก็ตามมาอีกทีนี้น้องเราก็เลยให้น้องไปแต่งงานอืมแต่งงานทีนี้ กิจการที่คุมเยอะๆไม่มีเวลาออกมาแล้วมันก็เหมือนกับไอ้ไม่มีไม่มีไอ้เขาบอกว่าไม่มีมือพวกนั้นเลยแล้วก็เลยได้เข้าไปอีกแต่เข้าไปในลักษณะใหม่เข้าไปในลักษณะที่ว่าต้องอยู่ในกรอบของ เ, เราจะมาสั่งเราไม่ได้ให้เราเป็นผู้สั่งถ้าเราเป็นผู้สั่งทุกสิ่งทุกอย่างยมันจะลงเอยกันดีเขาก็ยอมรับจอม บ, บ้าวนั้นนัน งานทุกชิ้นเราเป็นผู้สั่งเองเป็นผู้คิดเองเป็นผู้ออกแบบเองระเบียบแห่งการอยู่ร่วมกันของพวกพวกนี้เราก็เป็นผู้ออกแบบมีเจ้าระเบียบเองนั่นถ้าถ้าอยู่ในกราะของเราเราเร า, เราก็อนุเคราะห์สงเคราะห์เข้าแล้วว่าเพราะเคยมีบุญคุณต่อกันนี่เราพูดถึงบุญคุณนะถ้าไม่ไม่ไม่เคยมีบุญคุณต่อกันเลยเราก็ไม่กลับไปล้วกลับไปอีกช่งระยะหนึ่ง ระยะหนึ่งระยะไหนจนถึงระยะที่ต้องผูนี้ออกบันประชานะ่ระยะหนึ่งอันนี้นะระยะที่พวกเขาต้องอยู่ในอบาของเราถ้าเราพูดอะไรแล้วเราทำอะไรแล้วคือเราต้องการอะไรแล้วพวกเธอก็ต้องทำตามนั้นที่มาสั่งเราไม่ได้ถ้ามาสั่งงานเราอยู่คือเราไม่ทำแต่พวกเธอไม่ทาบมาสั่งเราเราไม่เราไม่ทำนั่นพาะงานแขนงพวกนี้เราช่ำชองเรามีความสามารถพวกนี้ เขาก็ไม่กลาไม่กล้าแล้วก็เลยรับเป็นอืผู้บริหารงานทั้งหมดแต่นั้นน่ะเข้านั้นน่ะเข้าใจมันออกมาตั้งแต่นู้นเลยนะตั้งแต่รุ่นของพิมพาพรสิรินั่นนะตั้งแต่อุ้ยเราคิดดูนะปีไหนนะตั้งแต่พิมพาพรสิริรุ่นนั้นน่ะออกเพิ่งแต่นั้นเลยนะจิตมันออกมาออกมาออกมาออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆทีนี้เมื่อมันออกถึง ถึงขั้นสูงจุดเพราะมันเชื่อเชื้อมันมีเดิมมันต่อกันไงมันต่อกันมาพอมันต่อกันมาแล้วมันก็หยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เห็นเราหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันถึงจะไม่ท้อเราบอกว่ายังนี้ข้อบเราลักเราก็ตามแต่ว่าใจมันออกหมดนะมันไม่ไม่เข้าไปก้าวไกลเลยยิ่งตัดทิ้งใจทิ้งหมู่ทิ้งคณะทิ้งพากพวกทิ้งการบริหารงานทั้งหมดออกวันประชา เห็นไหมมันถึงที่ของมันนก็เกือบเอาเรียกว่าเกือบเอาตัวไม่รอดพังกันละเพราะมันปั่นป่วนเวลาที่ออกมาเนี่มันปั่นป่วนคิดถึงหมู่คิดถึงการนั่งคิดถึงชิงต่างๆที่เราได้ทําไว้ตึงตึ ง, ต ง, ตงสลกสลยัยยิ่งจะเอาตัวรอดได้นะขณะที่ว่ามันไม่เอาทางโลกแล้วมันก็ยังต้องเอาน่ะกันอีกนั่นนี่พูดถึงบุญบุญที่เป็นเชื้อที่ผ้าพวกเราทำทุกวันนี้ ที่พาเราไปแนะนำให้ลูกๆเาหนานไปสร้างทานบารมีมาบาตรก็มา อ, ราอรมบรมธรรมอบรมศีลศีลธรบารมีกันปฏิบัติภาวนาเป็นการภาวนาเพื่อสร้างบารมีนี่ถ้าไม่มีตัวนี้มันก็ไม่มีเชื้อที่จะเป็นตัวบุญตัวกุศลนําพวกเราไปในภพภูมิต่อไปอาศัยบุญอย่างเดียวถ้าอาศัยเรื่องบาปมันก็ไม่จําเป็นเพราะเราทําบาปอยู่ทุกวี่ทุกวัน แต่นี้เราจะเกียรกายเพื่อสร้างบุญ น, นะบาปมันทําทุกวีทุกวันเพราะใจเรามันเป็นบาปกูศลมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอืเราหาวิธีการออกจากบาปกูศนหาวิธีออกคือเอาหลักธรรมวินัยเข้าไปยึดไปถือไปปฏิบัติตามนั้นในวันละเลโกน น, น็ไปตามนั้นให้ได้มิงน้นออกไม่ได้นะยิ่งเวลาลงผู้ออกออกอย่างเชนิดที่ผาดโผล่เลยนั่นน่ะหางเลยออกเลยทิ้งทั้งหมดเลย ทิ้งทั้งหมดโหแบบนั้นนะมันก็ยังนําตามจิตนำในจิตในใจนําพาเราไปในทางที่ไม่ดีโอ้หมันนาพาเราไปทางที่ไม่ดีต้องตัดจินใจถึงก็สลายนั่นะต้องก็สรบสลายให้มันพอผ่านวิกฤตการที่โหดเยี่ยมแล้วก็อยู่ปกติความเสื่อมถอยแห่งจิตก็มีครั้งเดียวที่ภูมิมณฑลดังได้พูดให้ฟังจากนั้นก็ไม่มีอีกเลยจนถึงปัจจุบัน เสื่องวัชร ะ, ะไม่เสื่อมวัชระเฝ้าวางเฝ้าละทั้งหมดไม่มไปเข้าไปยึดมั่นถือมันเพราะแน่ใจใจถึงบุญกุศลที่เราได้สร้างมาอย่างสมบุรณ์บริบุรณ์แลไม่เคยผิดเรื่องหลักศีลละธรรมที่ไปเกาะเกี่ยวกับผู้หญิงคนไหนที่เขามีลูกมีผัวเกี่ยงการรักเล็กการกะอะไรแล้วก็ไม่มีแต่นั้นที่เป็นออกมาที่เป็นตุเป็นเตาจะไม่มีจะมีก็ช่วงเป็นเด็กที่มีความอยากได้บ้างุของธรรมดาท่านั้นแล้วก็วางไว้ พือถึงก็เจตนาจริงๆเจตนาจริงๆที่รู้ว่าเป็นของคนนั้นคนนี้ตั้งใจจะฉวยโอกาสนี่จะไม่มีจะไม่มีตัว น, นั้นนะตอนนี้ก็จะบริสุทธิ์เรื่องการพูดสายิ่งไม่มีจะบริสุทธิ์มาตั้งแต่นั้นปฏิบติบาก็ขาดหายไปหมดนานแล้วเรื่องการทำรักชาตก็ขาดหายไปนานแล้วพอเรืงการเรื่องข้อกาเมก็ไม่มี ข้อพูดผลมอเตสก็ไม่มีข้อสุราก็ไม่มีศินห้าเลยสมบูรณ์บริบูรณ์ตั้งแต่นู้นนะแต่นี้ก็เลยสินแปดเริ่มเพิ่มสินแผดขึ้นมาไปทํางานอยู่ก็ถืออุโบสถเห็นไหมไปทํางานอยู่ถืออุโบสถแต่ไม่บอกให้ใครทราบนะว่าเราถืออุโบสถอมีหนังสือบนพิธีติดกายเราเราถืออุโบสถนะเพราะจะเป็นที่ระลึก ถ้าไม่มีตัวนั้นมันจะไม่มีข้อละลึเลกเข็นเพราะต้องอยู่ในวงการอย่างนั้นเห็นไหมนะลุลงปู่อ่านหานังไ่นี่พูดถึงเรื่องบุญใี่พวกเราทราบนั่นถ้าบุญมันมีแล้วมันหนักมันแน่นในบุญแล้วไม่ได้หนักแน่นในบาปแล้วอยู่ที่ไหนมันก็เอาตัวรอดได้ตอนนี้พูดให้ฟังตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะบุญนี่นั่นบุญกุศล น, นี่เลือจริงๆเพราะละลึลกไปโหไม่น่าจะรอดตลอดรอดฟัอดอดงออกมาได้นะแต่มาด้วยอํานาจ บ, บุญจริงๆ บุญญาฤิ์อ๋อถูกต้องที่สุดตอนนั้นฤทธิแห่งบุญจึงชนะพวกมารทั้งหลายในแต่ลูกัรท่าจริงๆถ้าไม่มีฤทธิ์ไม่มีบุญก็ไม่มีฤทธิ์ถ้ามีบุญแล้วก็มีฤทธิ์อาศัยบุญกุศลตัวนั้นยิงน่งจึงมีฤทธิ์ที่ออกจากพบแห่งกลารที่วุาา่นวายผ่านพวงกันอยู่ออกมาจู่โลกแห่งการบรระชาได้ฤทธิแห่งบุญพอเขามาจู่โลก โลกแห่งบรรพชาแล้วจากโลกแห่งทางวุ่นวนายกายกองเรื่องวงการนั้นที่วงการมายานะั้นก็เข้ามาสู่โลกแห่งธรรมนัฎเพศพอโลกธรรมนเพศก็ทิ้งภาระทั้งหมดดีไม่ได้ยึดไม่ได้ถือกับลูกศิษย์ลูกหาอุบาสกอุบัติกะหมู่คณะหรือใครทั้งสิ้นเอาตัวให้พ้นจากโลกอย่างสงสารด้วยฤทธิแห่งบุญนั่นอันนี้เป็นอย่างนั้นนะ นี่อาศัยบุญอาศัยกุศลจริงจริงอาศัยบารมีทั้งว่าบารมีก็คือบุญนมันพูดง่ายที่สุดไม่ใช่ว่าสร้างบารมีทางบาปอกุศลถ้าบารมีทางบาปกุศลนไม่จำเป็นต้องสร้างหรอกแต่มันก็เกิดอยู่บารมีทางบารมันมีทุกวันนะความคิดมันไม่ไปทางดีไปทางเลวเลวทั้นั้นไม่จําเป็นต้องไปตะเกียกตะกายกขอนควายสร้างหรอกบารมีทางบาปอกุศลนั่นมันขึ้นของมันเองเนี่ยแต่บารมีทางบุญกุศลนี่สมมันต้องตะเกียกตะกายอย่างนั้นออกอย่างมันไม่ได้เลย มีจิตติมีปัญญาพร้อมเสมอขวัขวายในสิ่งที่ดีๆเพื่อตนเองตลอดตลอดแต่นั้นมันก็อยู่ดูทางโลกไม่ได้หรอกพอเห็นทางโลกแล้วมันไม่มีศีลไม่มีทําอะไรถ้าอยู่ทางธรรมแล้วมันอบอุ่นตลอดเห็นพระเหลืองเห็นพระพุทธรูปมันจะอบอุ่นนี่คือบุญกุศลมันเริ่มที่จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยของมันแต่ถ้ากนั่งดูพระพุทธรูปมีความรู้สึกว่าไม่อยากไปไหน นี่เริ่มมันจริงๆงนะยังอยู่อย่างนั้นอยากสวดมนต์อยากไหว้พระอยากเดิยนยังคมนั่งภาวนาไม่อยากไปทํางานอย่างอื่นนี่บุญกุศลมันไหลรวมใหญ่ไม่ได้สนใจใหญ่ดีกับใครทั้งทิ้งเคยท่องบนสาธยายทั้งโลกเป็นบทเพลงบทอะไรบทนี่ก็ไม่เอาเลยออกมาหมดเลยออกมาตลอดตลอดเคยคว้นวานไคว์ทางด้านนั้นไม่มี กันทางโลกทั้งหมดเลยเข้ามาถูกต่างๆทางทรรมเปิดรับเปิดรั บ, บตลอดนี่เพราะบุญบุญกุศลอํานาจบุญฤิดของบุญเกิดแล้วจะเป็นอย่างนี้ถ้าบาปถ้าฤทธิ์ทางบาปเกิดโหก็คงจะหนักเหมือนกันทางโลกไม่มีที่จะอยู่เหมือนกันเพราะนิสัยเรามันเป็นนิสัยที่ที่หนักถ้าอยู่ในวงวงการนั้นนิสัยเราก็เป็นเป็นผู้นําที่ดีเป็นนิสัยที่บอกว่าถ้าคาไหนคํานั้นที่ได้รั่นวาจเออกไปหนึ่ง ว่าในทุนต่างๆจริงเขาลบเรานี่นะเราตัวแค่นี้แหละนี่พูดถึงว่าอํานาจบุญฤทธิแห่งบุญที่สร้างมาตั้งแต่ในอดีตนิสัยไม่ก็เป็นนิสัยชอบพูดที่ว่าออกมาความจริงถ้าทําอะไรถ้ามันทําในสิ่งที่ถูกต้องเออเราทําถ้าสิ่งไหนไม่ถูกต้องเราไม่ทํานั่นแหละที่บอกว่าเป็นเป็นเรื่องเป็นราวแบบหมูก็เรื่องนี้แหละพ่อหมู่ทําไม่ถูกไม่ต้องเราก็เลยไม่เล่นด้วย น, นีน้มันก็ขวัญขวายเข้ามาที่ขวัญขวายเข้ามาจู่โลกแห่งอบุญแห่งกุศลคือโลกแห่งบันปัญชาเห็นพระเห็นอะไรแล้วก็โมันหดเข้ามาหดเข้ามานะผู้ถึงเห็นพระสายป่านะแต่เห็นพระสายบ้านเกิดรังเกียจเดียดฉันไม่รู้เป็นไงมีทิฏฐิมันมีทิฏฐิเพราสมัยสมัยที่ในสมัยอดีตชาติที่ที่บวชพระบ้านที่สร้างวัดอยู่ดิมนมื้อนั่นแี่ย แล้วก็เลยไปก๊้กิดกับพวกสตรีเพศที่เป็นอุบาติกาที่พูดเนี่ยฟังว่าลุงผูดต้องสังฆาทิเศษนั่นที่ต้องกลับมาใช้นี่ใ ช, ช้ถินให้เขาเลื่อยร่างกายเลื่อยแขนเลื่อยขาออกเป็นชิ้นส่วนแต่ละพบแต่ราชาติที่ทุกทรมานมาโดยตัวนี้อำนาจบาปบาปแล้วไม่ใช่อำนาจบุญละวฤิ์แห่งบาปแล้วมันมันขึ้นเลย นี่มันก็เลยเป็นเกยียรติในข้จิตข้อใจเป็นเกยียรติผ้าบ้านมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเลยพอเห็นแล้วพระเรามีเชื้อตอนนั้นมาก่อนเราไม่ได้อยู่ในธรรมในวินยัยที่เราเริ่มสร้างบุญารมีตอนนั้นอันนี้พูดถึงในอดีตชาติหลายนี่พุทธันดรแน้วละในสมัยที่เป็นผ้าบ้านที่ไม่อยู่ในธรรมในวินยัยเลยต้องตังการที่เสดตกละกรรมลำบากดังที่พูดในพวกเราฟังตลอดตลอดนั่นเนเ่ในว่าในปัจจุบันอชาตินี้ ถ้าศีลธรรมเราไม่ดีเราถ้าศีลถ้าศีลไม่ศีลบกพ้องศีลไม่ดีเราก็ไม่อยากเข้าไปเล่นด้วยไม่อยากกราบไม่อยากไหว้เพราะถือว่าเสียชาติเกิดเสียชาติเกิดสําหรับผู้ที่เกิดในในกระว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วพราะพุทธศาสนาในบวชในพุทธศาสนาในบวชันพุทธศาสนาน่นาจะทำอะไรที่ดีดสําหรับโลกสําหรับสงสารบ้าง๋ยวเราไม่ทํไทาไม่ทําพวกนั้นเราก็ไปทำความชั่วเสีย มันก็เลยเป็นจิตที่ลังเกียจไม่ใช่ว่ายกตนข่มท่านนะมันเป็นอย่างนั้นเรี๋พูดให้ฟังตามความสความจริงพูดถึงเรื่องเรื่องบุญนะเรื่องบุญฤทธิ์แห่งบุญที่นําพาหลวงปู่ออกจากโลกที่เรียกว่าโลกมายาถ้าไม่มีฤทธิ์แห่งบุญหลวงปู่ออกมาไม่ได้หรอกป่านนี้ก็เป็นยังไงไหมท่านฤทธิ์แห่งบุญที่ติดตามตลอดดึงลากดึงลากลากออกจากสิ่งสถานที่ที่ชั่ ว, วตลอด ทิ้งในที่เลวดึงออกมาลากมาก็เหมือนที่หลวงปู่พูดถึงว่าในสมัยที่หลวงปู่เรียนช่างได้ใบประ ก, ระกศญญาศนียบัตรอันดับหนึ่งของโรงเรียนนั่นแหละนั่นแหละบาปกุศลเข้าข้าวงาแต่ฤทธิ์แห่งบุญก็พยายามดึงล่ากหลวงปูออ่ออกมาออกมาออกมาอยู่อย่างนั้นไม่กี่ปีก็ออกมาจู่โลกแห่งขาวจะอาน ด, ดูที่โลกโลกโลกไหนไมันก็ไม่เท่าโลกบุญนะ ร่มบาปกุศลจะทําดีกว่าอืไปไปไหนก็ไม่ไม่สมควรไปนอกจากไปสถานที่ที่เป็นบุญเป็นกุศลสถานที่ที่มีกูมีบาอบรมบ่มนิสัยเราจากคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวให้เป็นคนดีนี่มันเป็นอย่างนั้นพอฤทธิแห่งบุญมันจะได้เข้าหากันระหว่างบุญในอดีตถึงบุญปัจจุบันถ้าฤทธิแห่งบุญตอนนี้ไม่มีลูกเต้าก็ไม่สามารถได้รับเชื่อเลยนะก็เหมือนเด็กที่ลูกติดลูกหาเราทุกคนนในี่ดีตชาติ ก็ต้องเคยสร้างคุณงามความดีร่วมกันมาฤทธแห่งบุญก็เลยส่งผลก็เลยเคารพในครูในบายอมที่จะพึ่งปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์ได้เที่ยงสอนด้วยความเคารพนี่นี่ก็ฤทธแห่งบุญที่ได้สร้างมาตั้งแต่นอดีตนําพาดึงรากพวกเราให้ออกจากสถานที่ที่เลวทรามเข้ามาสถานที่ที่เลิ่เลือในพุทธศาสนาถึงจะมีไม่มากแต่ก็แน่ใจต่างใจว่าฤทธแห่งบุญ พรเรารู้จักว่าจริงไหนควรไม่ควรอยู่ถึงเราจะไม่สามารถบรรลุถึงทำชั้นสูงสุดได้ก็ตามแต่ว่าฤทธิ์แห่งบุญก็คอยดึงลากเราเข้าสู่สถานที่ที่ดีๆที่เรียกว่าสุคติภูมิต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยอเมื่อฤทธิ์แห่งบุญเต็มเมื่อไหร่นั่นเนี่ยเราก็จะทราบของเราเองว่าเราเวียนว่ายตายเกิดกี่ภพกี่ชาติแล้วเบื่อหน่ายในภพในชาติในการเวียนว่ายตายเกิดตัดทิ้นใจเข้าสู่เมืองพนิพพาน เมื่อลิตแห่งบุญนั้นเต็มไม่เต็มหน่วยของมันมันตกน้าไม่ไหลตกไปไม่ไหม้นะทั้งที่องค์ลุงปู่เลือกไปลุงปู่ลุงปู่น่าจะไม่รอดหลายครั้งแต่คนตัวตาก็รอดออกมารอดออกมาจะว่าความมูทะลุดูดันก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่มีตัวนั้นน่ะมันเป็นด้วยลิตแห่งบุญตัวนั้นบุญยลิตรลิตแห่งบุญส่งผลบุญส่งผลบาปอกุศลก็ร่วงไปเรื่อยๆร่วงไปเรื่อยๆรวงไปเรื่อยๆก็ดูไปถาม หมูถามพวกที่เป็นกราบาดด้วยกันในสมัยนั้นพี่กองกรลบาดอยู่ว่าทําไมทําไมมนุษย์มนุษย์ต้องกินสัตว์เป็นอาหารขนาดไปงานอยู่นั้นน่ะอยู่ในวงการนี้่แหละทําไมต้องทะเลบบาะวิวางกันทําไมต้องตายจากกันแล้วทาไมเวลาออกมาแล้วทําไมจะต้องจะต้องมีความรักกันฉังแต่เด็กไม่เห็นมันมีทําไมโตขึ้นมาจาก จะต้องมีการราคะัจะต้องมารักกันสมสู่อยู่กันมีลูกมีเต้าออกมาในพลสุดท้าก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ทะเลาะเบาแบงหนีจากกันเป้าคนใหม่อีกแล้วทาไมต้องเป็นอย่างงั้นแล้วทาไมต้องสัตว์สัตว์ทําไมต้องมาเป็นอาหารของมนุษย์อืแล้วก็พิจารณาของเราไปเราก็คิดไปของเราตามบทีปทัาเราเนี่ยนะเพราะมันเป็นเชื้อแห่งแห่งแห่งบุญกุศลที่เรียกว่าฤทธิ์แห่งบุญส่งผลทําให้เขาก็หัวเราเขาก็ว่าเราบ้าก็ถูกต้องอยู่นั่น เพราะมันไม่ใช่ความรู้สึกในคิดของเขามันศิทธทถากุมารในสมัยที่กองคารวบาอยู่ก่อนที่จะ่งดัลลุเป็นวุตตยาก็เรื่องนี้แหละคิดไปต่างๆนานาอืะว่าทําไมมนุษย์มันจะจังทั้งเกิดมาแบบนี้มนุษย์เกิดมาทําไมตอนแรกก็ไม่ไคิดอะไรมากเมื่อไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะนั่นแหละเริ่มเลยแต่ความคิดก็คิดเป็นความเจ้าวความคิดตั้งแต่เป็นเด็กนที่ไปนั่งที่ต้นว่าต้นนั้น ในวันแรกนาขวัญสุดโธวตะนะไปแรกนาขัญอยู่สุจ้าตากุมานไปนั่งอยู่โคนต้นว่านั่งก็พิจารณาไปเรื่อยๆตามบทีภาษาผู้ที่สร้างบารมีมาที่มันที่ที่สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเป็นชาติสุดท้ายแล้วที่การสร้างบารมีมาเป็นโพธิยานก็คิดไปเห็นนกเห็นอะไรนี่แหละที่ที่ในตำวิไนที่พูดถึงอย่างชัดเจนที่เพิ่นเห็นไอเห็นนก เห็นจิ้งกา่าเห็นจิ้งกา่าเห็นจิ้งกา่าเห็นงูเห็นงูออกมาข้าวเอาจิ้งกาไปกินพอพอเอ้สักพักก็เห็นนกที่อยู่บนต้นว่าต้นนั้นเข้ามาโฉบงูตัวนั้นไปกินดีเพื่อก็พิจารณาทํามันจะต้องกินกันทามันจะต้องบาดประหารกันเพื่อก็คิดไปพูงไปแต่งไปพอตอนนั้นทําตัวนี้ยังไม่เกิดออื ทำตัวนี้ยังไม่เกิดเพราะยังไม่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและธรรมะตัวนี้ไม่เกิดตัวนี้ไม่เกิดก็เลยไปเห็นตัวนั้นก็พิจารณานั้นก่อนลวงกูก็เป็นมากคอนหลวงปูไม่เคยศึกษาหลวงปู่พูดตรงตรนะนี่แหละเรื่องพูดถึงนี้เรื่องเรื่องบุญอย่างเดียวบุญส่งผลอย่างเดียวลวงปู่ไม่เคยศึกษาหาความรู้ในพุทธประวัติเลยเพราะยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่ยังไม่ทราบแต่ก็ชอบทําบุญแต่ไม่ทราบว่าพุทธศาสนาเป็นแบบไหนเหมือนหลวงปู่สอนพวกเราบ่อยๆนั่นแหละก็ไม่ทราบว่าพุทธศาสนาเป็นแบบไหนแต่ก็ทําบุญอยู่ อันนี้เวลาเวลาที่ไปไปคิดแบบนี้มันคิดที่ตอนที่ยังไม่ได้ศึกษาหาความรู้เลยนะคือไม่ได้รู้จักพุทธประวัติเลยว่าพระพุทธเจ้านึกคิดพวกนี้มาก่อนแล้วกลับนึกคิดวันที่ถามเราจําได้เรานั่งอยู่ในรถกับผู้ที่แต่งกอนคนหนึ่งเพื่อนชอบเพื่อนชอบแต่งกอนเราก็เลยนั่งด้วยกันไปด้วยกันไปงานแล้วก็เลยถามว่าทําไมจะต้องเป็นอย่างนั้นมันก็หัวเราะ แต่คําหนึ่งที่เราจําได้ถึงทุกวันนี้เพื่อนพูดอยู่ว่าเออถ้าอยากทราบไปถามพระพุทธเจ้านูนนะ่นเขาคิดจะคงอยากคิดว่าเราบองนึงแหละเพราะเราก็ถามไปเราก็ไม่เคยไม่เคยมีความรู้สึก น, นคิดแบบนี้นั่งรถไปก็มันเกิดทำสังเวยียนขึ้นยังไงไม่ทราบก็เลยถามถามไปหลายบทหลายหบาทอยู่นะนี่พอบุญมันเกิดในช่วงนั้นพอดีนี่พูดถึงเราละลึกไปเราละลึกไปแล้วพูดถึงสิทธิุขาปันว่าบุญเนี่ยสามารถ ลากดึงเราออกจากสถานที่ที่ชั่วที่เลวขึ้นสู่สถานที่ที่ดีเลิศประเสริฐคือบุญคือกุศลทําไว้มากเท่าไหร่ไม่ผิดไม่เหมือนบาปอกุศลบาปอกุศลจะทำน้อยดีกว่าบุญยิ่งทํามากก็ยิ่งดีบาปกุศลจะทำน้อยดีกว่ามิกว่าอาจารย์นั้นบอกว่าคําว่าทําบาปคําว่าทําบุญ คำว่าทําบุญแล้วไม่จําเป็นต้องรับบาปคนว่าเพราะการกิริยาแห่งทําบุญแล้วก็บาปมันก็รับไปเองเพราะมันเป็นการรั บ, บาปบําเพ็ญบุญไปในตัวนี่ก็น่าคิดแต่นั้นเราก็ฟังอยู่ไม่ใช่ว่ามีกิริยายเราทําบุญแล้วเราจะมีกิริยาที่ลับบาปคนว่าแล้วก็ตั้งใจทําบุญอย่างเดียวเราไม่ทําบาปอีกก็ถือว่ามันพร้อมกันหมดเลยในกิริยาทั้งภายนอกภายในออก็เข้าใจพูดอยู่นี่พูดถึงบุญ บุญที่เกิดแล้ว น, นี่ที่มันหนักในทางบุญแล้วนี่ลูกเต้าเอ้ยอชจรย์จริงๆอชจรจนไม่มี ท, ที่ที่จะเป็นคําพูดออกมาที่เป็นรูปเป็นร่างแห่งสมมุติว่าบุญนั้นเลิ่อเรือยแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพราะมันเป็นบุญในโลกุตตะนี่แหละมันพูดออกมายากแต่ถ้าบุญเป็นโลกียะเรา ก, ก็พูดง่ายอยู่นี่เป็นบุญบุญในโลกุตตะเวลาที่โตัวละคลําบากบุญจะลากออกมาลากออกม า, ล า, กออกมาหลายครั้งหลายหนที่เรา เกือบไปรถชนตายหลายครั้งที่ช่วงเป็นคาราวาสอยู่เนะี่ยก็เด็งที่พูดให้ฟังนี่แหละก็เวลาที่เลี้ยวรถเลี้ยวอะไรไม่ไม่ดูใจแขวนกำลังเพลินอยู่ก็ธรรมดาอยู่ทั้งโลกก็ร้องราทาเพลงไปตามบทศิษย์ภาษาไม่ได้สนใจใหญ่ดีก็อะไรหลายครั้งที่เขาล้องด่าก็หลายครั้งหลายหนเฉียดเิีวหลายครั้งหลายหนแต่ไม่ถึงกับในต้องที่ว่าลถไปนอนโรงพยาบาลแม้แต่ครั้งที่ เราให้สัญญากับอท่านพรญายมทั้งสองว่าจะบวชให้นั่นแล้วก็ลืมพอเราลืมไปทั้งสองสามปีนะปีที่สามนี่ปีที่เรานั่งขับมอเตอร์ไซค์ออกไปจะไปทํางานเพราะนัดหมู่ไว้นัดหมู่ไว้จะไปทํางานสักครึ่งวันแล้วก็จะรีบป่าออกมามีแม่อยู่บ้านคนเดียวพอออกไปแล้วเกิดอาเพศตอนนั้น กไก่มันวิ่งตัดหน้าเข้าเข้าในล้อเลยนะมันไม่ได้วิ่งธรรมดานะวิ่งเข้าไปในล้อเลยนะี่แล้วก็เบรกเาเบรกแล้วก็ตีลังการ ย, ยังไงไม่ทรบาบถลายไปตามถนนที่เป็นถนนลาดยางแต่ก็ไม่เก็บอะไรมากก็ทะเลอกบอกเผกิไปธรรมดาแล้วก็ไม่ไปทำงานโทร บ, บอกหมดแล้วก็มาพักที่บ้านพอพอรู้สึกตัวขึ้นพวกนี้ยืนอยู่ข้างหน้าเีนี่แหละบุญเกิดไง บุญบุญไม่ให้หลงไปในทางช่วงอะไรนี่บุญบุญเกิดฤทธิ์แห่งบุญเกิดแล้วเราหลงไปตั้งสองปีปีที่สามาลังเลื่นอยู่ข้อปีที่สามแล้วลึกไม่ได้เลยนะเพราะจ้อนั้นเราปกติการงานก็รู้สึกว่าแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนกลางคืนด้วยกลางวันด้วยพ่อแม่ก็ปกติเราเลี้ยงน้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงพี่แล้วก็ลังท้างบ้านอยู่พอดี พอฤทธิ์แห่งบุญเกิดพอดีไงในช่วงนั้นนะ่ะก็เลยลืมนี่แหละลืมลืมคำแต่สัญญาที่ว่าจะบันดาชาในช่วงที่ป่วยที่เขาจับขึ้นที่พูดให้ฟังเรื่อยๆนั่นนะอันนี้เขาเตือนนะถ้าพูดถึงฤทธิ์แห่งบุญเกิดไม่ให้ตกไปในที่ชั่วมากหลายปีมันก็เลยทําอาเพศให้ชาบอย่างนั้นเพราะพอ ล, เลนะเงยหน้าขึ้นเห็นเขายืนอยู่ตกใจเลยนะก็ พ, พร้อมเลยพอไปนั่งพอกลับบ้าน แม่แม่ดูแม่ก็ไม่เช็ดเลือดเช็ดอะไรให้เอายาเอาอะไรมาให้แม่นี่จะรักลุงปู่มากนะแม่คำโจมนี่จะรักลุงปู่มากมากมากชนิดที่บอกว่าเหมือนกับลุงปู่เป็นเด็กเลยพราะลุงปู่ไม่ค่อยได้จากพ่อจากแม่ไปไหนเวลาลุงปู่จะไม่ดได้ป่วยพ่อแม่จะนั่งเฝ้าตลอดเหมือนกับลุงปู่เป็นเด็กนี่แหละ แ, แล้วก็ไม่ต้องการความอบอุ่นอย่างนั้นหรอกแต่พูดถึงว่าอที่พ่อกับแม่ ท, ที่ที่อยู่กับเราตลอดเหมือนกับเรานี่เป็นลูกแง่นั่นแหละ ถ้าเราเจ็บเป็นอะไรนี่พ่อแม่จะอยู่งั้นดังนั้นสมัยนั้นพ่อไม่อยู่บ้านพ่อไปอยู่กรุงเทพกับลูกสาวเอ็นต์กับแม่อยู่เราก็เกิดอาเพศตัวนี้แหละพอพอเลิกได้เรานั่งซึมเลยนะนั่งซึมเลยเราพร้อมโหตัวนี้กําลังจะเตรียมงานพอดีพอดีเพราะในในช่วงที่ที่เดือนพฤษภาเดือนพฤษภาและมิถุนายนี่อกําลังจะเตรียมงานพอดีก็เลย นี่แหละที่เราเรียกว่าเราทุกข์มากกับหมู่กับพณะกับเจ้าติโกงตีการเราทุกข์มากในขณะที่ออกวันประชานี่แหละที่หลวงปูต้องสรุปสลายก็เรื่องนี้แหละก็แล้วกเตรียมงานข็ยันก็ยอกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องพร้อมกันเถิดที่มีงานอีกเวลาที่ตัดสินใจออกวันประชานี่ทีรูปท่าไรมันมันชุดสุดเลยนะถ้าบุญ ฤีธแห่งบุญไม่เกิดบุญกุศลไม่มากไม่รู้เป็นบ้าเป็นบอไปที่ไหนไม่ทราบเดี๋ยวนี้นะนี่เราเลือกไปแล้วพูดให้ลูปผู้ศกหาฟังนี่แหละถ้าบุญไม่มีนี่ไม่ได้เลยเราอาศัยบุญอย่างเดียวนี่บุญเกิดฤีธิแต่งบุญเกิดช่วยได้ตลอดตลอดแค่เอาคาดมาตลอดตลอดจนถึงปัจจุบันมีนถูกต้องอยู่มันก็ต้องตายไปตามกาลเวลาเราพูดถึงว่าเมื่อเราตกไปในสถานที่ชั่วคือทังสร้างในการสร้างบาปบกุศลนี่ ที่เราสร้างบุญมามากนี่บุญกุศลฤทธิแห่งบุญก็จะดึงรากเราออกจากสถานที่ที่ชั่วช้าลำบกจ็เปรตนั้นเข้าสู่สถานที่ที่ที่ดีๆต่อไปนี่ขณะที่หลวงปู่ออกมาถึงสรุปจะไหลให้มันแต่ฤทธิแห่งบุญหลวงปู่จึงไม่ตายก็ได้สร้างคุณงามความดีมาตลอดตลอดมันน่าจะตายจ่งที่เป็นพระขาวที่ที่สรุปที่ที่ตรงบ้านหล่อนันดีแล้วเพราะว่ามันมันกระเทือนไปหมด พ้อหัวใจนี่มันแกว่งไยไปแล้วก็จิวเข้าจิวเข้าหัวใจมันขาดก็ทราบถึงพจนสติเต็มที่อยู่หัวใจใจนี่มันขาดเสียงดังเสียงดังดังดั ง, ด, งดังไม่ดังนะดังไม่แดงนะที่หัวใจที่มันขาดเพราะมันจิวเสียงดังอยู่ในหูและ ย, ยินทั้งนั้นนก็นึกว่ามันตายตั้งแต่นั้นแต่ได้วยฤทธิ์แห่งบุญช่วยพอเราสร้างบุญกุศลมามันสมภูมิในปัจจุบันอาชารยแล้วไงบุญกุศลก็เลย พร้อมที่จะรวมเข้าหากันไหลเป็นกําลังใหญ่ถ้าเป็นน้ำก็เป็นน้ำทานใหญ่พูดง่ายเป็นน้ำที่จะอาจจะอ่านเพราะเป็นน้าแห่งบุญใช้ไม่หมดดื่มสงอะไรก็ไม่หมดไม่มีการขุนเพราะมันใสสะอาดเพราะเป็นชาติสุดท้ายแล้วที่จะต้องเจออาจะเจอทรรชั้นสูงในธรรมในวินั ฤทธิ์แห่งบุญก็ต้องพร้อมก็ต้องรวมกันมาเป็นกําลังใหญ่เมื่อในสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าระลึกถึงฤทธิ์แห่งบุญที่นั่งอยู่ที่ต้นโพต้นนั้นฤทธิ์แห่งบุญก็คือบารมีสามสิบทัดของพระองค์นั่นแหละฤทธิ์แห่งบุญที่เรียกว่าบุญฤทธิ์นั้นเกิดจริเกิดจริงชนะมารมารภายนอกและมารภายในจึงแต่สรุเป็นพระเจ้าขึ้นมาด้วยอํานาจบุญคือฤทธิ์แห่งบุญนั่นเลยโหว่าเจรยิญ呐 พอระลึกไว้ระลึกไว้โอ้โหรอดรอดวันได้ฤทธิแห่งบุญจริงๆไม่ว่าเขาไม่ว่าเราไม่ว่าใครก็ตามถ้าตลอดรอดฝังออกเกี่ยวทางโลกเข้าถูทางด้านบรรพชาบรรพชิตแล้วตั้งกิตตั้งใจพื้ปฏิบัติคุณงามความดีดังนั้นฤทธิ์แห่งบุญเกิดความคิดแก่กี้ค้านไม่รู้มันหายไปไหนในเมื่อทุกวันนี้เรายังไม่เห็นเราไม่รู้ว่าความคิดแก่กี้ค้านเราเป็นยังไงเขาไม่เห็นเลยเพราะฤทธิ์แห่งบุญนี้ได้ครอบงำไปหมด ครอบงำความชั่วทั้งหมดเลยฤทธิแห่งบาปมันส่งผลไม่ได้พูดง่ายๆมแต่ฤทธิแห่งบุญครอบไปหมดตัด้งแต่ก่อนนี้บุญนี่ไม่มากฤทธิแห่งบุญไม่มากก็เป็นเมืองขึ้นของฤทธิแห่งบาปอยู่ตอนนี้ฤทธิแห่งบุญมากแล้วนี่ไพ่ผลมากแล้วบาปก็เลยเป็นเมืองขึ้นของบุญนั่นบาปก็เลยไม่ค่อยส่งผลส่งผลแต่บุญกูสนตลอดตลอดเลยฤทธิแห่งบุญเกิดขึ้นเกิดขึ้นอ๋อเรื่องฤทธิแห่งบุญทั้งนั้นทั้งนั้น มันก็เต็มที่เต็มฐานของมันความคิดเกียร์คิดค้านหลงปู่หลวงปู่ยังไม่เห็นนะมีแต่ว่าไปไม่ได้เดินไม่ไหวอ๋อจะเดินไม่ไหวสแสดงว่าเหนื่อยสแสดงว่าง่วงเกลดไปไม่ไหวก็ต้องพักผ่อนร่างกายแล้วงู่ยังไม่ยังไม่มีความรู้สึกว่าหลวงปู่ขี้เกียริคิดค้านมีแต่พูดอยู่ทั้งพูดนี่พูดอยู่ปากพูดนี่ก็คีดค้าน ون, านั่งคิดเกียร์ทำโน่นทำนี้คิ้เกียรแต่ว่าในใจมันไม่มีแต่พูดเป็นกิริยาที่เป็นสมมติในราบเราพูดอยู่แต่ว่าทั้งภายในมันไม่มีตัวนั้น ขาอลิศแห่งบุญนี้ครอบงามบาปอกุศลไปหมดเลยมีแต่ความเขาเรียกว่าความขยันหมั่นเพียรคือขยันหมั่นเพียรในธรรมนะมันไม่มีเท่านั้นออกมานอกจากจะง่วงสุดเดินไม่ไหวดังที่พูดในฝังเลื่อเหนื่อยสุดเดินไม่ไหวแล้วก็จะพกักผ่อนร่างกายแต่ไม่มีเมื่อพกักผ่อนแล้วรู้สึกว่าพอแล้วก็พุ่งปั๊บทํางานต่อไปอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเหรอือว่าความขี้เกียจกี้กาที่องค์ตามหาบัวเทศนั้นก็คือ ตัวพบตัวชาติตัวบาปอกุศลทั้งหมดเลยพอดีแล้วล่ะทําอย่างนี้แค่นี้พอดีแล้วล่ะถ้ามีความคิดอย่า ง, งา น, ไไนั้นไายในก็ยังเป็นบาปอกุศลทั้งนั้นเพราะความพอดีมันจะ๋ยรู้เท่าเข้ามันเองในธาตในขันอ๋อมันตัวนี้เองคือมันไปไม่ได้มันจะี๋ยทราบแต่ความพิกเกียจคี้ค่านความท้อแท้ อ, อดแดนมันจะไม่มีทั้งหมดเลยถ้ามีความท้อแท้ อ, อดแดกก็ถือว่าฤทธิแห่งบาปเข้าครอบงาําไม่มีเลียวนั่นถ้าไม่รู้เท่าไม่รู้จักกาลเทศะ ก็จะแสดงว่าฤทธิแห่งบาปครอบงำเท่าเขามันจะลูกของมันนะอ๋อ้มันเป็นอย่างนี้เองหรือก็ถึงก็ถึงมีความรู้สึกที่บอกว่าอัศจรรย์นในธรรมที่รู้ที่เห็นเมื่อฤทธิแห่งคุณเกิดขึ้นล้วนๆนี่บ่าวกุศลได้ลว้ลวงไปหมดจึงไม่มีเชื้อตัวนี้เลยนักบุญจึงจพูดในลา ว, วาลุงกูไม่มีนิสัยจะไปนิสัยไปตามธรรมที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นนิสัยตัวนั้นจะไม่มีนิสัยเดิมๆตัวนั้นเดิมที่เป็นเชื้อมา ที่อยู่ทางกองคาราวะหรือเป็นจริตนิสัยแบบนั้นจะไม่มีนอกจากเชื้อเดิมที่เป็นอุปนิสยัยที่เป็นเชื้อมาต่อพบต่อชาติเชื้อแห่งคุณงามความดีที่เรียกว่าฤทธิแห่งบุญ น, นั้นมีตัวนั้นเพราะนําพาถ้าไม่มีเชื้อตัวนี้ก็ไม่สามารถนําพาออกจากทางทางบาปกุศลนี่แหละทิงจะเกจแจ่กายควนควายเพื่อเหล่าลูกศิษย์ลูกขาจะได้สร้างบุญกุศลมา ก, มากพอทราบแน่ชัดแจ้งไปเลยว่า ตกในสถานที่ใดก็ตามถ้าบุญภาวจราบารมีมีพร้อมมันก็จะเกิดขึ้นเองของเขาผลลิ์แห่งบุญนี้จะเกิดขึ้นเองเขาไม่จำเป็นต้องมาเดินจงกรมนั่นงภาวานาตัวนั้นคือบุญตัวนั้นเกิดแล้วไงบุญตัวนั้นไม่จำเป็นมันไม่เหมือนคนเราบุญตัวนั้นเพราะเป็นนามไม่ใช่เหมือนคนเราว่าเออข้าพเจ้าชื่อว่าบุญนะ ข้าพเจ้าต้องเดินอย่งกรมนั่งภาวานาจริงจะได้บุญไม่ใช่อย่างนั้นบุญตัวนี้เป็นบุญแท้เวลาที่เป็นกองบุญอย่างนั้นแล้วเขาจะเกิดขึ้นเองของเขาเมื่อมากขึ้นฤทธิเดชเขาก็เกิดขึ้นนั่งเขาเองก็เหมือนในสมัยพุทธกาล ต, ตาทีตาขามาพอบรรลุธรรมแล้วไม่รู้ว่าฤทธิแห่งบุญรวมกันตั้งแต่เมื่อไหร่ปุ๊บปั๊บขึ้นเลยทาเดจมากรผลปฏิปานแล้วไม่รู้ว่าฤทธิเดชมาจากไหนโอ้โหไม่เคยพบไม่เคยเห็นเป็นอย่างนั้นก็เหมือนพระอานุน พระนอนนี้ฤทธแห่งบุญยังไม่เกิดยังไม่สมบูรณ์บุนก็เดินตามหลังบรมัจจัยได้อีกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหาะก็ไม่ได้ลองโหนหายตัวไปไหนก็หมวกก็ไม่ได้แต่เวลาที่บรรลุทางปับ๊บฤทธแห่งบุญก็รวมเลยเห็นไหมนะเข้าฌานต่างๆได้หมดปฏิสัมพิธาหยาดแตกฌานเห็นไหมะ่ะดำดินดำดินไปผุดขึ้นที่ เปปูนปี่สีรนะไว้เพรบรรลุธรรมแล้วเป็นพระอรหรนะันต์แล้วไปปูนปี่ปูนี่ศีนะไม่ใช่ว่าเดินไปปูนปนะอืมเราต้องการนาี่คณะจิตเดียวนี่ต้องการต้องการไปปูนปิ่ินีนะนี่ศีนะก็ไปเองปูพื่อเพื่อเพเรียบร้อยนั่งอยู่พิกุตินี่แต่นั่งเรียบร้อยแล้วอ่าอยากจะคือพระอรหันต์บางรูปจะไม่ทราบถึงวาลจิตของของคนอื่นว่าที่นาา่าชาว่าเข้าพานุนี้จึงรู้ของพวกนั้น เวลาพระ น, นรนนทรษษ์ทราบวาลจิตของครูบาอาจารย์ทั้งหมดเลยดูสิฤทธิแห่งบุญเกิดขนาดไหนพวกเราพิจน า, าหอาจะทำทำยังไงจึงจะให้ให้ผู้ที่ยังไม่ทราบนี่ทราบว่าเรานี่บรรู้ธรรมว่ารู้ว่าต้องทําแบบนี้นิธิศนะก็ไปวางปึ๊บขึ้นอัตโนมัติเมื่อสงฆ์พร้อมกันหมดทุกรูปยกเว้นพระอานุนเพราะนั้นพระอนุนพระอานุ น, น, นต้องการต้องการให้พระสงฆ์ทุกรูปนั้นไปขอน นั่งครบสมบูรณ์และผ้ารองก็ดำดินไปไปโผลขึ้นที่นิจิทนะที่นั่งนั่นแหละเห็นไหมล่ะอาจจะจันไหละบุญยลิตริษัทแห่งบุญเกิดเห็นไหมนี่แหละที่กุบาอาจารย์ตำหนิติเตียนเราก็เรื่องนี้แหละแล้วไม่พิจารณาเรื่องอเรื่องธรรมบ้างหรือล่ะว่าก็ริษัทแห่งบุญเกิดแล้วนี่มันค้านกันได้ที่ไหนในเรื่องอะเรื่องธรรมนั่น่ะตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม แต่จีตาสาเวลาบรรลุธรรแล้วฤทธิแห่งบุญก็ไหลรวมกันไม่มีอย่างหนึ่งก็ต้องมีอย่างหนึ่งอืมันแตกต่างกันโดยการสร้างบารมีก็ถูกต้องอยู่แต่ว่าฤทธิแห่งบุญไม่ได้แตกต่างมันต้องสง่งผลทางด้านใดด้านหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยในเวลาที่ลงปู่เพียงพอแล้วฤทธิแห่งบุญจึงรวมกันเป็นกลุ่มนั่นแหละไม่ ก, กระจายไปไหนอยู่พร้อมพอมพร้อมปั๊บมันก็ก็เทือนเลื่อนดันไปในใจลูกกทาเนี่นี่เรียกว่าฤทธิแห่งบุญ เวลาบรรลุแล้วจึงจึงทำที่ตัวเองป่ายปนานั้นปั๊บก็กระเถือนเดือนลัน่นเพราะทำไมาจึงกระเถือนเดือนรั่นฤทธิ์แห่งบุญหลายรวมกันและฤทธิ์ฤทธิ์แห่งบุญไหลรวมกันเพราะทั้งบาปบุญสนอันตราฐานหายไปพร้อมกันขณะที่บุญเต็มที่บาปก็อันตราฐานหายไปหมดไม่มีเชื้อแม้แต่จุดแต่ต่อมลูกกระทา จ, จึงบ่นไหวก็เหมือนที่เรากวาดในสถ า, านที่ที่ ที่บอกว่าจําเป็นต้องใช้กําลังมากในการกวาดจะใช้เครื่องทุ่นแรงที่เป็นพวกรถพวกอะไรกวาดสถานที่นั้นให้สะอาดอาดคือปรับสถานที่นั้นให้สะจาดสะอานให้เป็นที่โล่งเตียนไม่มีสิ่งเละเกลื่อนละกะก็ต้องใช้รถกําลังมากๆในการกวาดนั้นๆในการทําลายภูเขานั้นๆที่มันไม่สะอาดสะอานมันก็ต้องสั่นเตือนเป็นของธรรมดาอันนี้ก็เช่นเดียวกันพลีแห่งบุญเกิดแล้วมันก็สั่นเตือนเดือนลั่นเลย อพอแล้วลึกไปนี่มันมิแต่อัดแต่ทำล้วนๆนั่นน่ะเออมันแก้วคาดตลอดร่อนฝังมาได้ก็เนื่องด้วยฤทธิ์แห่งบุญอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นนะบาปภกุศลไม่เข้ามาไม่เข้ามาแตะมาต้องก็ได้ฤทธิ์แห่งบุญมีมากกว่าบาป บ, บาปภคุศลนี่แหละจึงแนะนำความสอนให้ลูกตั้งจิตตั้งใจปฏิปฏบัติคุณงนางความดีเอาให้นักนะเดินยังก้มนั่งภาวนาให้นักเพื่อต้องการบุญตัวนี้ให้มาก อย่าไปทำอย่างอื่นทำอย่างอื่นก็ขอให้อยู่ในองค์ภาวนาถึงจะทำโน่นทำนี่ไปองค์ภาวนามันจะมีตลอดด้วยกิริยาที่ไปนั้นๆจะไปแบบไหนก็ตามไปทำงานดายะหรือไปทำโน่นทางทา ง, ทางอะไรก็ตามแต่ว่าใจนั้นไม่ห่างจากบุญไงจิตไม่ห่างจากบุญมีผู้ตัวธรรมสังโคมีสติจ้องกันอยู่ตลอดถึงตายเวลานั้นก็มีสติเต็มที่ หากแม้นว่ายังไม่สามารถทำรํำลายอาสวะให้สิน้นคติที่ดีเป็นที่ไปรู้ตัวเกิดก็ภาวนาต่อละเกลียดนั้นปั๊บเลยนี่แหละฤทธิแห่งบุญเมื่อยังไม่สมบูรณ์บรรพุนก็ต้องทําก็ถูกต้องอยู่แต่ก็เราก็ทําพร้อมสติพร้อมปัญญาเมื่อมันถึงที่ถึงทางขก็มันไม่จําเป็นรังนั้นไม่จำเป็นต้องบอกว่าสติมาดื้อปัญญามาดื้อหรือบุญกุศลจงไหลรวมมาดื้อไม่จำเป็นต้องพูด พร้อมหม ด, ดปุ๊บปั๊บเลยส่งผลปุ๊บปั๊บเลยเหมือนพระอานุ์ส่งผมวันส่งส่งผลวันนั้นขณะจิตเดียวนี่พวกเราก็จะเกินเดียวกันเอี่ที่เค้นตัววันนี้ก็ต้องการให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยพวกเรายังไม่ถึงที่ถึงไที่หมายปลายทางในปัจจุบันชาติแต่ก็ชาติต่อไปก็ต้องเป็นของเราอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยเพราะเราช่างาาบุญกุศลอย่างเดียวคือลาำบากมันเป็นบุญอย่างเดียว ไปที่เดียวก็คือเมืองพุนิพัทธไม่ได้ไปที่อื่นนี้ก่อนลูกเข้าใจนะไม่งั้นไม่ได้นะฤทธิ์อย่างบุญไม่ช่วยมีแต่บาปอุทสนเข้าครอบงาจิตเข้างาใจของพวกเราพึงให้มีสติให้มีปัญญาเคยเชื่อคนง่ายก็อย่าเชื่อคนง่ายให้วางกลางตลอดให้มีสติมีปัญญาคือมีสติรู้ตัวปั๊บมีปัญญาคือความคิดเมื่อมีคนมายุแยงแต่แข่งร่วมแบบนั้นแบบนี้ หรือหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันพูดคำนั้นคํานี้ออกมาเพื่ อ, อยุ่ยแย่ให้ทะเลาะบาะแว้งกันพึงมีสตินี่แหละตัวนี้แหละที่เราพูดเป็นบ่อยว่าให้มีสติและมีปัญญาพึงมีสติมีตัวรู้กขันป้าก่อนตั้งสติแล้วก็ปัญญาเอนี่มันถูกต้องไหมถ้าพูดลนนักษณะนี้คนนั้นจะเดือดร้อนไหมคนนี้จะเดือดร้อนไหมเราจะเดือดร้อนไหมมันจะแตกเล่าในหมู่ในคณะไหมนี่ท่าเรียกว่ามีสติและมีปัญญา นีมีสติมีปัญญานี่คือการเริ่มในเริ่มเริ่มต้นในทางที่ดีแต่ผู้ที่เพียงพอแล้วจะไม่มีตัวนั้นจะไม่มีสติและมีปัญญาแบบนั้นมีสติและมีปัญญาขนณะความรวดเร็วพอรู้ปั๊บปับวางปุ๊บปับรู้ปุ๊บปั๊บวางปุ๊บปั๊บรู้ปุ๊บปวางปุ๊บปั๊บเลยนี่คือมีสติมีปัญญาเป็นอัตโนมัติอัตโนมัติก็คืออย่างรวดเร็วนี่คือคือรวดเร็วก็ว่ามันเหนือตัวนั้นไปอีก ทวารวดเร็วก็ไม่ใช่อีกนะไม่เชิงอีกแนละ้วเพราะเป็นอัตโนมัติอัตโนมัตินี่ก็คือรู้จาั ก, การาเทีสังไงทว่ารวดเร็วก็รวดเร็วรวดเร็วแบบรู้จาักกาตราีสังไษทวารช้าก็ช้าแบบรู้จาักกาตราีสังไตัวนั้นนั่นเพราะบุญญาฤทธิ์มันเต็มที่บุญบุญเกิดฤทธิ์แห่งบุญเกิดเต็มที่ทําลายบาปอกุศลแล้วจะเป็นอย่างนั้นพูดให้ฟังอาศัยบุญกุศลอย่างเดียวพวกเราจึงแก้ค่าตลอดรอดฝั่ง แต่การที่ยังไม่ถึงที่จุดนั้นก็ต้องสร้างไม่สร้างไม่ได้นะไม่มีโอกาสที่จะถึงที่สุดแห่งความรู้สึกนึกคิดได้คือไม่สมปรารถนาอยู่ที่ไหนก็อยู่ในคติที่ไม่ดีเป็นคติที่เร็วตามเร็วตามตลอดเพราะเป็นทุกขติภูมิฤทธิแห่งบาปมันส่งผลตลอดตลอดไม่ใช่ฤทธิแห่งบุญ เราออกจากบาปอกุศลไม่ได้เพราะฤทธิ์บาปครอบงำใจเราแต่ถ้าเราทำลายบาปอกุศลได้แล้วเนี่ยบาปอกุศลถูกทำลายไปหมดสิ้นแล้วฤทธิ์แห่งบุญเกิดสว่างสวัยตลอดตอนนี้ไม่สงสัยใครจะไปใครจะมาใครจะลองให้น้าตาไะไใครจะเป็นอะไรมาก่อนมันก็รู้เข้ามันอยู่ในนั้นเพราะหลักธรรมของวินัยมีเขาเชื่อกรำเชื่อผนวกกรรมตัวนั้นนั่นลงตัวของของมันอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฤทธิ์แห่งบุญเกิดนี่ไงล้องบอเล่าให้ฟัง ฤทธิ์แห่งบุญเกิดนี้มันไม่ใช่ธรรมดานีบุญนี้ตกน้ำไม่ไหลายตกไฟไม่ไหมอย่างอื่นมันยังมีปัญหาอยู่นี่พระพุทธเจ้าเข า, เขาสร้างมาแต่ละปรแต่ละชาติดูสิค่อยสร้างมาสร้างมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหรือพ่อแม่ครูที่ในสมัยพุทธกาลที่ท่านสิณัสธวรมท่านก็สร้างมาเรื่อยๆเรื่อยๆในสมัยพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งหรือหลายพระองค์ต่อเนื่องกันมาต่อเนื่องกันมาได้บวชเดีเขียนอ่านใน พุทธเจ้าองค์นั้นๆต่อมาเรื่อยๆต่อมาเรื่อยๆเพราะยังไม่ถึงที่ของมันนั่นนี้ก็เด็กเช่นเดียวกันนี้เราพิจารณาดูอย่างชัดแจ้งกันนะจึงพูดให้ฟังเมื่อลิตแห่งบุญเกิดแล้วนี่ตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหมใจอยู่ในสถาน ท, ท, ที่ที่เรียกว่าน่าจะพึงกลัวก็ตามหรือในสถานที่ที่บอกว่าจะไปทําบาปกุศลก็ตามก็จะมีบุญกุศลที่เป็นลิตตัวนี้ลากดึงออกมาจากจุดนั้นจนได้ ก็ดูลงังปู่เกวข้ามมาตลอดตลอดไม่ได้มีสัญญาจําได้หมายรู้ในทางที่เร็วๆนี่แหละอัจจรย์ที่สุดเลยไม่มีสัญญาจําได้หมายรู้ในทางที่เร็วๆว่าเราเคยไปเล่นเมียคนนั้นคนนี้ไปตามผู้หญิงคนนั้นคนนี้จะไม่มีตัวนั้นตัวนี้สัญญาตัวนี้ไม่มีรักเล็กก็ลักเล็กคนนั้นคนนี้มันก็ไม่มีว่า ม, มีก็ตอนไปเด็กก็นนั้นไม่ได้ใส่ใจเพราะยังไม่ทราบตัวนั้น เมื่อไม่ทราบตัดสินปัญหาไปนั่นก็มีอยู่แต่ว่าตัดีินปัญหาไปเพราะไม่ทราบมันรวมศีลหลักศีลหลักธรรมลงปัจจุบันนี้ศีลห้าหรือศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยี่สิบก็รวมลงปัจจุบันนี้เราไม่ด่างพลอยไม่มีสัญญา จ, จําได้ไหมายรู้ความยึดมั่นถือมั่นแต่นั้นไม่มีมันขาวสาะอาดบริสุทธิ์พูดผ่อมของมันนั่นปกติเลยนั่นแต่นั้นฤทธิแห่งบุญทําลายบาปกุศลจะเป็นอย่างนั้นนี่อัจฉรย์มากนะ แน่นในพวกเราเราให้ตะเกียดตะกายขวัญขวัญสร้างคุณงามความดีพอทำได้มีเวลาเวลาก็เร่งรีบทำล้วก็ยังไม่ทราบว่าความตายเราจะมาถึงเวลาไหนแล้วจะมีชีวิตอยู่รอดถึงปีต่อไปไหมเราก็ไม่ทราบนั่นอันนี้เดือนธันวาแล้ววันนี้วันที่หนึ่งเดือนธันวาปีห้าหกอีกเพียงเดือนเดียว น, น, นี่แหละก็จะเข้าปีห้าเจ็ดแล้วเดือนเดียว น, นี้เราจะรอดไหมลุงกูคิดอย่างนั้นนะลุงกูไม่คิดว่าลงุงจะรอดนะแต่ละวีแต่ละวัน เดือนเดียวเนี่ยจะมีโอกาสรอดไหมวันนี้เราได้ทั้งคุณงามความดีที่อย่างถูกต้องไม่ได้เอาสิ่งนี้ไปเมืองวุณิพานด้วยแต่อาศัยฤทธิแห่งบุญพวกเราเข้าใจฤทธิแห่งบุญเป็นยานพาหนะนําพาเข้าสู่สถานที่ที่ดีๆที่เรียกว่าสุคติภูมิมนุษย์สมบัติก็ด้วยฤทธิแห่งบุญสวรรค์สมบัติก็ด้วยฤทธิแห่งบุญพรมสมบัติก็ด้วยฤทธิแห่งบุญนิพพานสมบัติก็เนื่องด้วยฤทธิแห่งบุญนี่มันจะเป็นอย่างนั้น อาใจกองบุญกองกุศลอย่างเดียวอาใจอ ย, ย่างอื่นไปไม่รอดพุทธศาสนาสอนอย่างนี้ให้รับบาปบำเป็นบุญนั่นถ้าเราไม่มีตอนนี้เลยเราก็ไปไม่รอดดังที่พูดในฟังบุญนี้ตกน้ํา ไ, ไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นาเชื้อภพเชื้อชาติที่มันมีอยู่อีกมากๆในการเวียนว่ายตาเกิดมันจะสั้นเข้าถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศลให้มันมากของหลวงปู่นี้ไม่น่าจะลงปัจจุบันนาชาติ มันน่าจะมีอีกคุณพเจ้าองค์ต่อไปถ้าไม่ตะเกียบอาการขอนขวายถึงสรบจะไหลถึงห้างหนนี่ไม่มีทางเหมือนกันนี่แหละลินแต่งบุญเกิดก็ปัจจุบันนั่นเลยเอาปัจจุบันเป็นหลักเลยวันนี้เราได้สร้างคุณงามความดีหรืออย่างนั้นเพราะความตายมันต้องอยู่นี่นี่มันวันเดือนธันวาแล้วเดือนธันวาแล้วมันใกล้แล้วชีวิตเราก็สั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้ า, ขามันจะรอดไหมในเดือนนี้ น, ะนี่เนื้อลึกถึงไปไหนก็ชนแต่บุญเออชนบุญอย่าให้ไปชนบาป เรื่องไหก็ชนบุญเออท่านนี้ก็ทำบุญตัว น, นี้ก็ทําบุญวันนั้นก็ทําบุญวันนี้ก็ทำบุญแล้วลึกเห็นแต่บุญพูดอย่างง่ายสัญญาจาได้ไหมายรู้แต่สิ่งที่ดีดีเพื่อค่าจิที่ดีจะเป็นที่ไปของพวกเราไม่งั้นไม่รอดนะช่วยไม่ได้นะนอกจากฤทธิแห่งบุญทานั้นที่จะช่วยพวกเราได้ไม่ให้เราตกเป็นสถานที่ที่มันชั่วช้าละมุกจกเปรต ด, ด้วยอํานาจบุญพาวัฒนาบุญมีของพวกเราที่ได้สร้างตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันด้วยตั้งใจพื้ปฏิบัติเพื่อ จิตของเรานั้นจะฝ่ายใจในบุญในกุศลถ้าจิตมันฝ่ใจในบาปกุศลไม่มีใครช่วยเราได้นะพยายามออกพยายามถอนให้ได้พยายามจะคุกกีกันผู้ที่ประพฤปฏิบัติตามตั้งใจลปฏิบัติธรรมเพราะใกล้แล้วนี่มันใกล้มันใกล้ใกล้ไนก็มันเดือนธันวาไงพอเดือนธันว่าเดือนธันวาปีห้ามันใกล้จะปีห้าเจ็ดแล้วจะมีชีวิตรอดไหมถ้าเรียกว่าหน้าสิ๋วหน้าขวานก็ว่าได้ ช่วงนี้เราจะแจ้งมาในช่องแคบช่องแคบก็คือปีเก่าปีใหม่เราจะไหวไหมจะรอดไหมจะมีชีวิตยอยู่ถึงปีใหม่ตามสมมุติใหม่ไม่มีใครทราบหลวงพ่ก็ไม่ทราบไม่ได้สนใจใจดีนะพวกนั้นก็บอกลูกๆตาตาว่าให้ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่แต่ความฝันอย่าไปยึดไปถือตัวนั้นไม่ใช่สาระแกนสารอรันใดผู้ตัวทํามโอชังโขตัวนั้นเป็นสิ่งที่มีสาระแกนสารที่สุด สมความยึดมั่นถือมั่นไว้ก่อนเพราะเป็นบุญเป็นกุศลด้วยอํานาจบุญอนาจกุศลตัวนี้จะเป็นฤทธิ์ที่จะนํำพาให้พวกเราเข้าสู่สุกติภูมิถึงจะเกิดในโลกมนุษย์ก็เป็นมนุษย์สมบัตินะไม่ง่อยเปี้ยเสียาการเสียากาพีาา่คนพิการอยู่ในฐานะที่ดีไม่ใช่ฐานะเหมือนที่พวกเราอยู่ที่เรียกว่าสุกติภูมิที่สมบูรณ์จะเป็นมนุษย์ก็มนุษย์สมบัติพันเรียกว่ามนุษย์สมบัติ เต็มภูมิสมภูมิมีศีลมีธรรมด้วยนี่สมบัติมีศีลมีธรรมด้วยนะคือรู้จักพอระ ล, ลึกถึงกองบุญกองกุศลของตัวเองได้อยู่พราะฤทธิ์แห่งบุญเกิดมันจะเข้าทําลายบาปกุศลไปเรื่อยเรื่อยโดยอัตโนมัติดังที่บุญให้ฟังเวลาที่เราอยู่ที่ไหนเราจะอบอุ่นด้วยกองบุญกองกุศลของเรามาเกิดในโลกมนุษย์มนุษย์สมบัติน่ะฤทิ์แห่งบุญช่วยเราให้อยู่ในโลกแห่งความสุขในโลกมนุษย์พอขึ้นไป เป็นเทพเทวาก็เป็นเทพสมบัติฤทธิแห่งบุญก็ช่วยอยู่ในภพภูมินั้ น, น, นเมื่อฤทธิแห่งบุญสมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อไหร่ไม่จําเป็นต้องใช้ตัวนี้อีกเพราะบุญกุศลเต็มแล้วไงไม่จําเป็นต้องแสวงหาความบุญกองกุศลอีกเพราะฤทธิแห่งบุญนั้นส่งผลเต็มที่ได้เข้าสู่กสิทิที่สูงยิ่งที่เรียกว่าสุกติภูมิตามสมบูรณที่เรียกว่าเหมือนพอดิพาณ น, นั่นเอง เข้าจุดนั้นแล้วไม่จําเป็นต้องพูดว่าฤทธิ์แห่งบุญช่วยข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะทําบุญทํากุศลเพื่อฤทธิ์แห่งบุญจะสูงยิ่งขึ้นไปไม่มีเพราะถึงที่สูงสุดในพุทธศาสนาที่สอนฤทธิ์แห่งบุญช่วยถึงจุดนั้นและฤทธิ์แห่งบุญก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นอยู่ที่ไหนอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีบุญกุศลในโลกียะ เข้าไปถึงได้คือบุญกุศลในโลกียะนั้นที่จะเป็นฤทธิ์แห่งบุญแต่มันไม่ใช่ฤทธิ์แห่งบุญในทางที่จะเดินเข้าสู่เมืองพระนิพพานแต่ฤทธิ์แห่งบุญในโลกุตตะละตัวนั้นเป็นฤทธิ์แห่งบุญที่จะนํำพาพวกเราเข้าสู่เมืองพระนิพพานได้ด้วยอํานาจศีลห้าดังที่พูดให้ฟังฤทธิ์แห่งบุญที่เกิดขึ้นโดยอํานาจศีลห้าที่ล่องปู่ได้มีเชื่อมาตั้งแต่ในอดีตเลยพูดให้ฟังถ้าฤทธิ์แห่งบุญไม่อยู่ในศีลห้าตัวนั้น ก็เป็นฤทธิ์แห่งบุญในโลกียะไม่ใช่ฤทธิ์แห่งบุญในโลกุตละถึงจะนำพาพวกเราออกจากสถานที่บางสิ่งบางบางอย่างได้แต่ก็เข้าสู่สถานที่บางสิ่งบางอย่างอีกไม่เข้าสู่ทางด้านจิตตะพวนราในการละอาจจะบางท น, นเข้าสู่มังกริพันธ์แต่หลวงปู่มีมาตั้งแต่ในอดีตนะเชื้อนี่ฤทธิ์แห่งบุญแห่งกุศลที่เกิดจากอานาจสินห้า ที่เราได้รักษาดีลมาดีแล้วตั้งแต่ไอดีนั้นส่งผลไงส่งผลเวลาเราตกลงไปในไฐานที่ทชัวช่วๆก็จะลากออกมาลากออกมาเข้า ส, ขสู่คุณศีลคุณทำตลอดเอาไว้ทางช่วไม่มากก็ดึงลากเข้ามาดึงลากเข้ามาเพราะเป็นคุณงามความดีเป็นฤทธิ์แห่งบุญในโลกุตละไม่จะฤทธิ์แห่งบุญในโ ล, โลกิยะที่พวกเราเห็นเดินกน้ำภาวนาเพื่อลาบจั ก, กรละนั่นเป็นโลกิยะฤทธิ์แห่งบุญในโลกิยะหอเดินฟ้าได้แปลงร่างกายเป็นอะไรก็ได้เพื่อลาบจั ก, กรละ ก็เหมือนกับพระเทวทัตนั้นฤทธิแห่งบุญในโลกิยะแต่หลวงปู่ไม่เป็นแบบนั้นที่พูดให้ฟังนี้มันเป็นโลกุตละมาตั้งแต่ในอดีตไงเฮ้ยส่งผลตลอดตลอดดึงรากเราออกมาจากสถานที่ที่เร็วๆตามๆตลอดจนส่งผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อเป็นสิบป้าคำปีบรสตวันร้อยสี่ิ้านั่นเลยส่งผลที่สุดแสงแตว่าถ้าพูดถึงว่าแสงสว่างก็หมดแห่งแสงสว่างนั้นนั่นไม่มีการทําแสงสว่างต่อแล้วก็ยุติ แสงสว่างทั้งหลายก็อยู่ปกติอย่างนั้นไม่ได้ไปไหนแล้วเราก็ไม่เอาแสงสว่างอีกแต่รู้ว่าแสงสว่างเป็นแบบไหนในเรื่องบุญกุศลที่ตัวเองได้สร้างมาจึงไม่สงสัยในการสั่งสอนสัตนลโลกนี่แหละท่านเรียกว่าเป็นผู้ที่รู้รู้ในเรื่องพุทธศาสนาอย่างเต็มภูมรู้ที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นแบบไหนพระพร์พุทธเจ้าเป็นแบบไหน กิยาต่างาพระพุทธเจ้าเป็นแบบไหนคําสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้เป็นแบบไหนวันี้แก้งหมดเลยนั่นฤทธังบุญเกิดแล้แก้งหมดไม่สงสัยเลยนะนี่ต้องการให้ลูกที่ลูกหาแต่เกตกายขอนขวายเพื่อคัตติที่สูงยิ่งคือเมืองปณิพาน์าเป็นที่ไปไม่งั้นไม่ได้นะตุกระกรรมลาบากนะเมือ่อเมื่อตกไปที่ที่มาตรฐานที่มันช่วอนะันนี้ทธับุญไม่ช่วยเลยเพราะเราอยู่ยังไงเนี้ยลองลองเรียกให้เจ้าบุเทว ด, ดามาช่วยไม่มีทาง เพระแต่ปุตตะวดาก็อยู่ในกฎแห่งใจรักยานอยู่แต่ฤทธิ์แห่งบุญที่เราสร้างในศีลห้าที่สมบูรณ์บริบูรณ์เพื่อปัตถนาโลกุตตะระอยู่คือเมืองพระนิพพานอยู่ตัวนี้จะเข้าหาตลอดทุกภพทุกชาติอัศจรรย์ที่สุดเลยเนี่ยจะเข้าหาทุกภพทุกชาติดึงลากมาจากสถานที่ที่เลวๆททำๆในทางที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปในใจโลกธาตุดึงออกมาดึงออกมาให้เข้าสู่โลกุตตระตลอดตลอดจะได้แค่ไหนก็ ได้แค่บุญที่เกิดที่ได้ไปคุตตปฏิบัติในพบในชาตินั้นนั้นเมื่อเต็มที่เต็มฐานก็นั่นแหละดังที่พูดให้ฟังนั้นมันก็ส่งผลเต็มไม่เต็มหน่วยนี่นี่แหละเรียกว่าบุญยริตริษแขงบุญเกิดแล้วสิ้นสงใจพุทธเจ้าก็เจกเช่นเดียวกันสงสาพระก็เจกเช่นเดียวกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตก็อาศัยริษแ่งบุญเหมือนกันหมดไม่มีที่ต้องติอ้อมุทนาเรนทรัสดู